ทุาผู้ฟังเคยมีความเครียดบ้างไหมในช่วงนี้กนะ็มักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าในช่วงสิ้นปีนี่มักจะเครียดเพราะว่าทำงานมามากและในช่วงสิ้นปีนี่เขามักจะต้องปิดบัญชีจะต้องสรุปงานทั้งหมดการงานทั้งหลายจึงต้องเร่งรีบ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 เราไม่ได้ไปส่งจิตออกนอกเราทํำที่ความรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่มองไปไกลๆอันนี้เป็นการโยนความรู้สึกภายในจิตใจเนี่ยทิ้งไปข้างนอกเราต้องรู้จักเปลี่ยนระดับสายตาซะบ้างการทํางานที่ก้มอยู่กับงานหมกมุ่นอยู่กับงานเนี่ยมันจะไม่เครียนเราเปลี่ยนระดับสายตามองไปไกลๆโยนความรู้สึกออกไปข้างนอกตัวละ